ปุึกาวิสัญชาติธรรมกับท่านหลวงตานังหลงสัมผัสีนาโย ต, ตอนอยู่กับรู้จะกราบนลมาส ก, การหลวงตาครับก็เอที่หลวงตานํานั่งสมาธินะครับแล้วก็บวกอบอกว่าถ้าเรา ละเอียดแล้วลมหายใจอละเอียดแล้วมันจะจะทําให้มีแสงสว่างในใจใช่ไหมฮะมันแสงสว่างในใจที่ว่า น, นี่มันมันจะเป็นอันเดียวกันกับความรู้สึกของเราที่มันสว่างอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใบหน้าไหมหรือว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าท่านท่านรู้สึกสว่างที่ไหนฮะประมาณประมาณ ถ้าก็แค่รู้อะรู้แค่รู้อยู่ น, นแะแสงสว่างถ้าเขาแค่รู้ฮะเอ่อแสงว่างนั่นก็แค่รู้รู้สว่างนะั้นแล้วน้อมเอาแสงว่างนั้นนั่งไว้ในตัวเราถ้าสว่างยังไงก็ตามอ่ก็น้อมเอาสว่างไว้ในตัวเราแล้วก็ให้เห็นเนียให้เห็นภายในตัวเราทั้งหมดเมื<พว>่อเปนพบความสว่างแล้วแสงสว่างแล้วเนี่ยก็น้อมเอาแสงสว่างนั้นนั่งเข้ า, าไว้ในตัวเรา ย้ายไปอยู่ตรงใบหน้ า, าหรือจะเอาไว้ในใบหน้าก็ได้น้อมก็เอาแสงสว่างมาไปให้มันเห็นเขาเอาแสงสว่างเข้าไปส่องให้เห็นหัวกระโหลกที่ซากเห็นอวัยวะภายในกระโหลกที่ษะเห็นกระโหลกที่ซะหรือว่าน้อมมอาไว้ในตัวเห็นก็เห็นอวัยวะภายในในตัวเห็นอวัยวะข้างในอ่ะทั้งหมดเลยจูวส่องเข้าไปจนเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกก็น้อมเข้าไปให้ทําลายโครงกระดูก ลกละเอียดทะลุ ก, ก็ไปอีกเห็นก็ไปอีกจู่ก็ถ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็น้องก็ไปหาตัวเราข้างในนี่ยเนะอยู่ตั้งหาตัวเราไม่เจอเอาแสงจสว่างที่เรามีแล้วเนะี่ยหาเข้าไ ป, ไปในตัวให้มันเอาเข้าไปในตัวเราแล้วก็ให้รู้เนี่ยให้รู้ตามเข้าไปภายในตัวเราว่าภายในตัวร่างกายเรามีอะไรบ้างให้ให้รู้ให้เห็นให้หมดตามความเป็นจริงว่าเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงไม่เห็นอะไรแล้วก็ถามมันเข้าไปว่าเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยง เที่ยงหรือไม่เที่ยงเราที่รู้ที่เห็นอะแสงสว่างที่เราเข้าไปเห็นแล้วทั้งหมดไปในตัวเราเหมือนกับแสงสว่างเหมือ i̇şte. นกับไฟฉายอ่ะพอเรามีไฟฉายแล้วแล้วก็ฉายเข้าไปในตัวเราในร่างกายเราไปไปฉายเห็นอะไรแล้วก็สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเราก็ถามว่าเที่ยงหรือไม่เท yes. ี่ยงอะเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้แสดงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราจะผ่านไปจนกว่าเราเจนชัดแลประจักษ์กระจายของเราอะสิ่งที่เราเห็นทั้งเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วแต่จะเห็นอะไรท่จะเห็นอะไรเข้าใจไหม เป็นขั้นตอนต่อไปที่ว่าจากที่อรู้ ส, สึกว่ามันมีแสงสว่างใช่ใช่ใ ช, ใชแ่แล้วแล้วแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปจะจะจะจ ะ, จะไปถึงไหนทุกที่ว่าพ อ, อมองอไม่เห็นตัวไม่เห็นตไ น, ตนไม่เห็นกระดูกไม่เห็นอะไรแล้วนี่มันจะมีมีความรู้สึกเป็นลักษณะยังไงดังนั้นท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองคือไม่งั้นก็จะมันมันจะเกินเลยไปอีกแล้วก็จะ แต่ว่าถ้าผมกินข้าวอิ่มแล้วจะเป็นยังไงไม่ใช่ก็ไปอีกอ่ะคือคือมันจะต้องไปตามที่ระบอกเนี่ยอให้เห็นตามความจริงในปัจจุบันปัจจุบันด้ในตัวของท่านเองแล้วจะค่อยๆเข้าใจติดขัดตรงไหนก็ถามเรื่อยไปทำไมถามผู้รู้เนี่ยแหละถามผู้รู้ภายในนี่ยแหละว่าเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงเห็นอะไรก็ให้ถามอย่างเดียวเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจนกว่าเราจะชัดเจนในตัวของเราเอง เคือปกกติไม่ได้เป็นคนปฏิบัติอะไรใดเป็นเป็นกิจแต่ลักษณะก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยก็มไม่เป็นไรถ้าถ้าเราใจสงบแล้วมีความสว่างแล้วเราก็น้อน้อมเห็นก็ไปนในตัวเราเนี่ยอท่านนั่งเดี๋ยวท่านก็นั่งฟังท่านก็นั่งไปด้วยเลยสร้างทําไปเรือ่อยๆเนี่ยเราตอบคนอื่นก็ไม่ต้องสนใจ นเตอกั็ไม่ตองนใจก็นอก็ไปภายในตัวเราเอาแสงสว่างนองเข้าไปในตัวเรานะแล้วก็ไปเห็นอะไรก็ภายในตัวเราเห็นอะไรก็ถามอยู่เรว่าเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงแสดงมาเดี๋ยวนี้แสดง่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงแสดงเปนความเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เห็นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรยไปจนกว่าจะชัดใใจเราก็มันเห็นอะไรอีกก็ถามอยู่ตลอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่าง้เที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยง คนก็ไปในตัวเรานะอันนี้ไม่ผิดแต่จะลอยเพ่งออกนอกไปเพ่งแต่แสงสว่างนะผิดมันจะเป็นมันจะเพ่งก๊าซีอมันจะทำเป็นพวกเรืองสี น, นั่นผิดเห็นเห็นมีบางท่านว่ามันจะทําให้เราติดติดยึดกับความสว่างความเนี่มันจะมันจะมันจะอันั้นนะก็จะถ้าเราไปเพง่งอะเพ่งแสงสว่างแนะ ม, มันจะมันจะเป็นติดแสงสว่างโดยลการเพ่งออกนอกตรงจิต อ, ออกนอกอันนั้นมันเป็นพวกทําพวกเรือสีจี่ผิ อั น, นมันจะผิดแล้วจะติดติดแล้วผิดด้วยโดยทางที่ผิดไม่ใช่ปันิพ า, านปันิพานก็ที่บอกแล้วงานก็คือว่า mm hmm. เมื่อเห็นแสงสว่างแล้วน้อมาเาแสงสว่างนะั้นเข้ามาในตัวเราแล้วก็เอาเหมือนมีไปฉายแล้วอะก็ไปฉายแสงสว่างที่มีกําลังแรงสูงนะเข้ามาส่องสว่างในตัวเราให้เห็นอวัยวะภายในเห็ น, หนมันชัดๆแล้วก็ถามเมื่อเห็นแล้วถามเห็นอะไรก็ถามมันเข้าไปว่าเที่ยงไม่เที่ยงล่ะเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยง ให้แสดงให้ชัดๆให้แสดงให้ชัดๆมัอย่างแสดงไม่ชัดจะผ่านให้ที่สงสัยแล้วท่านจะกังวลไหมไม่งั้นจะทําไม่ได้จะทําไปก็กังวลไปกังวกลกังวลงวไรถามเลยถามให้ทิ่สงสัยแล้วก็ได้ลงมือทำนี <c oughs> ่อะไรไม่กังวลถ้ามีกังวลเลยในใจไหมไม <c oughs> ่กังวลก็ทำํำก็จะได้ทําได้ทําไปแต่ไม่งั้ันก็จะกังวลเรื่องเรื่องเส้นทาง ให้มันเฉียดเฉียดใจก็ก็ก็ ก, ก็ในเรียนถามท่านท่านท่านท่้นลูกานะครับว่ามันจะไปทางไหนต่อแล้วก็เราจะยังไงต่อไปที่ว่าพอมองเห็นแล้วมันมันจะมันจะหยุดอยู่แค่นี้เลยหรอหรือว่ามองเห็นต่อไปเรื่อยๆหรื อ, อยังไงครับโอ้ท่านท่านให้เห็นก่อนสิพ อ, อท่านเห็นแล้วเอแล้วเราก็จะบอกทางให้อีกเนื<ม>่องจากไอไอตรงนี้ยังไม่เห็นจะบอกทางต่อไปก็บอกยาก เพราะว่าคล้ายๆกับว่ายังไงอะไอ้ตรงนี้มันมันบางอยู่ท่านจะไม่เห็นมันนะเราจะบอกตอไม่ได้ว่ายังไงมันถ้าจะเอาส่วที่สุดเลยเราจะบอกไรแต่ว่าไอ้แสงสว่างที่ว่านี้มันกับในใจที่ดวงตาพูดถึงนี่มันมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าที่ยังสงสัยว่าไอ้ที่ว่าที่ว่ามันเหมือนกับหรือเราคิดไปเองก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเหมือนกับจะสว่างอยู่พอหลับตามันจะมีเหมือนสว่าง ตอนนี้มันเป็นไหมล่ะตอนเนี้ตอนนี้ท่านพูดอยู่เนี่ยความสว่างมันหายไปไม่จับใจ masked, มันมันจะไม่ได้อยู่ที่ใจเวลาเวลาที่เราไม่นด้ไม่ใ <โ att S 1> ช่ใ ท, ที่ตอนนี้ไม่จะลืมตาเนี่ยท่านความสว่างมันยังอยู่ไหมมันจะมันจะไม่มีเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอันเดียวกันกับไม่ใช่ไม่ใช่มาถามว่าที่ที่กําลังพูดอยู่ตอนเนี้ยความสว่างมันยังอยู่ไหมที่ท่านบอกว่าความสว่างมันอยู่ที่กระจายออกจากใหน้าไปเนี่ยมันยังอยู่ไหม ตอนเนี้ยเป็นเพราะอะไรจะเป็นตอนไหนเป็นเฉพาะตอนตอนเรานั่งสมาธิตั้งหลับตาโอ้หอหลับตาเนี่ยไม่ใช่เนเพลงนอกมันเพลงนอกเพลงเพลงหลับตาที่เสร็จสว่างแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยหายไปแล้วก็จับไปนั่งเพลงใหม่นั่นใช่ไหยมันยังไงมันก็จะเหมือนว่าประมาณว่าพอเราหลับตาไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนมันก็จะเป็น มืนเปิดไฟอยู่ตรงตองเอก็ได้ได้เปิดไฟก็ได้แล้วก็ถ้าก็น้อมเอาลองดูซิลองทํำซิเดี๋ยวเราจะบอกเราก็จะเห็นเองเนี่ยก็ทําทําให้เราดูเลยเราทำให้เราดูคือคือพูดไปก็ทําให้ดูมันก็จะได้แตกต่างกันให้เห็นดูว่าก็ทําให้ดูซิว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าใครถาม่ะมันทาทําไปเรื่อยเื่เราจะเราจะบอกเองแหละ นานเนี่ยมันต้องไปดูกายต่อไหมหรือว่าดูไม่เที่ยงตามที่ดวงตาบอกเมื่อวันศุกร์เสาร์ให้โยนิโซ่ตลอดว่ามันมีแต่ไอตัวที่ถูกรู้แล้วมันก็ไม่เที่ยงดับไปดับไปมีแต่ตัวที่ถูกรู้และตอนนี้ท่านปฏิบัติอย่งไรตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย เห็นหรือว่าบางทีมีอาการก็เห็นเอัสนะภายนอกอะไรเงี้ยคือพอมันจะไปรู้สึกซึมๆก็ออนี่เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ไม่เที่ยงก็ก็ดูตรงนี้ค่ะก็ท่านทิ้งรู้ไปนะท่านทิ้งรู้ไปครับท่านทิ้งรู้ไปหมดเลยเนี่ยพอรู้เนี่ยสือนิพพานธาท่านทิ้งรู้ที่มีค่าที่สุดไป ท่านทิงรู้มาอะไร่เน่ะท่านทิ้งนิพพานไปเลยท่านท่านไม่ไม่ไม่ยรู้ไว้แล้วจะทําไงใช้รู้ไว้คะก็อย่าทิ้งมันก็อย่าทิ้งรู้นึ่งจะรู้มันมันก็เป็นอย่างนี้เราไปนะก็สอนง่ายง่ายเราไปคลิกมันทําไมอ่ะเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีค่าที่สุด ชีวิตของเรา อ, ะอ่ะคั้งควิตที่เราหยหามาคับหลายภพหลายชาติแสนนานต่นการ ก, ก็คือรู้นี่แน่วันนชาติเนี้ก็รู้นี่แน่เป็นนิพพานภาตุอ่ะเราหยหามันเป็นสิ่งที่เราห่ยหามันข้ามภพข้ามชาติมายาวนานแสนนานร้องโม่ร้องไห้นานานแสนนานก็เพราะว่าเพื่อหำเพื่อพบผู้รู้นี่แน่แต่เรากลับทิ้งรู้ไปก็อยู่กับไปรู้ตัวอย่าทิ้งรู้ อย่าครู้คือรู้ว่าไม่ได้รู้เพื่ออะไรหรอไม่เชีว่ารู้อ่ะรู้แล้วเราจะไปได้อะไรไม่เชีว่ารู้รู้ไปอย่างเงี้ยแล้วเราไปได้อะไรก็ไอ้รู้ตัวนั้นแนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุเราก็ได้รู้ไงรู้ถ้าเรารู้สัตแต่วัน <veter> รู้ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะได้นิพพานธาตุนิพพานธาตุหรือเป็นนิพพานไม่เชียวว่ารู้แล้วเดี๋ยวจะไปได้อะไรอีกเช่น เออรู้แล้วไม่เห็นมันโปร่งมันโล่งมันเบาสบายไม่เห็นมันว่างๆเลยไ อ, ออาการโป่งโล่งเบาสบายหรือว่างๆเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้มันเป็นอาการที่ถูกรู้แล้วก็ปล่อยไปอีกมันเป็นยังไงก็ปล่อยไปเอาก่อนตรงตรง อยู่กร็รู้รู้ว่ารู้ทุกคิดทุกอาการอ่ะรู้ทุกคิดทุกอาการที่มันเป็นอยู่คือมันมีมีความคิดมีอาการอะไรมีกิริยาการใดๆก็รู้ไม่ใช the ่รู้เพื่ออะไรก็รู้แค่รู้เพื่อความปล่อยวางไปไม่เอาไอ้กิริยาการในขณะปัจจุบันที่ถูกลับรู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็รู้มันเพื่อปล่อยวาง ปล่อยวางไปทุกคิดทุกอาการทุกกิริยาการในปัจจุบันรู้เพื่อความปล่อยวางไม่ยึดเอาเองไอ้ไอความคิดหรือกิริยาการในทุกขณะปาาัจจุบันที่รู้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราปล่อยวางไปปล่อยวางให้หมดเพราะว่ารู้เนี่ยมันไม่มีกิริยาการใดๆเลยเพื่อไปถึงความไม่มีกิริยาการใดๆเราจึงต้องปล่อยวาง กิยาการไปเนี่ยทุกกิยาการในปัจจุบันที่เรารับรู้ได้ไม่ได้ว่ารู้เพื่อให้ตัวเราเป็นอะดับรู้เพื่อความปล่อยวางอย่างเดียวคือปล่อยวางทุกสิ่งที่อยากที่รู้ไปเพราะแต่รู้เนี่ยมันไม่มีอะไรรู้ได้เพราะว่าไม่อาจเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจเนี่ยไปรู้เขาได้คือไม่อาจจะรู้ด้วยประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ ถ้าไม่อาจจะรู้ได้โดยทางหกประตูก็หมดทางที่จะรู้แล้วเพราะว่าเราจะเห็นรูปได้ก็ต้องอาศัยรู้ทางตาจะได้ยินเสียงได้ก็ต้องอาศัยรู้ทางหูจะได้กินได้ก็ต้องรู้ทางจมูกจะอาศัยรู้รสได้ก็ต้องทางลิ้นจะอาศัยรู้สิ่งที่มากระทบกายได้ก็ต้องอาศัยกายทางกายสัมผัสจะอาศัยรู้สิ่งที่กริยาการความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิยาการในใจได้ก็จะต้องอาศัยประตูใจ แต่ทั้งหกประตูไม่สามารถจะรู้เขาได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะรู้ถึงธาตรู้ได้หรือนิพานธาตุได้วิธีที่จะเข้าถึงนิพานธาตุได้มีกรณีเดียวคือปล่อยวางสิ่งที่รับรู้ได้ทั้งหกประตูไปให้หมดสิ้นในทุกขณะปัจจุบันโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือประตูใจเพราะว่าประตูที่มันละเอียดเข้าไปถึงใจนั่นแหละถ้าเราปล่อยวางประตูที่ละเอียดเข้าไปถึงใจได้เราจะปล่อยวางรูปลสกิริย์เสียงสัมผัส ซึ่งเป็นสิ่งที่มากระทบภายนอกได้เราจะปล่อยร่างกายที่หยาบได้เราจะปล่อยวางอาการของจิตซึ่งเป็นนามาขันใจได้เพราะว่าการรู้นามาขันเนี่ยมันรู้ได้ที่ประตูใจรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็รู้ได้ทางประตูใจมันเป็นกิริยาการที่ใกล้ใจที่สุดใกล้รู้ที่สุดแล้วเป็นประตูที่ใกล้ที่สุดแล้วที่ประตูใจ ส่วนประตูอื่นยังเป็นมันยัเป็นยังกายออกมาคือเป็นประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นหรือประตูกายหรือมันเป็นรูปที่อยู่นอกกายเป็นเลยเป็นเสียงที่อยู่นอกกายเป็นกลิ่นที่อยู่นอกกายเป็นรสที่อยู่นอกกายเป็นผลสะพะสิ่งมากระทบกายมันอยู่นอกกายหมดมันเหลือประตูเดียวประตูใจเนี่ยคือมันอยู่ในใจยังอีกห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายเนี่ย สิ่งที่มาให้ถูกรู้มันอยู่นอกตัวเราหมดเลยรูปก็อยู่นอกตัวเสียงก็อยู่นอกตัวกลิ่นก็อยู่นอกตัวรสที่มาสัมผัสลิ้นก็อยู่นอกตัวสิ่งที่มากระทบผิวกายก็อยู่นอกตัวห้าประตูเนี่ยอยู่นอกตัวเราหมดเหลือประตูสุดท้ายเนี่ยประตูใจคือรู้ความรู้สึกและคิดอารมณ์จรงทางประตูใจหรือรู้ทำอารมณ์ทางประตูใจเนี่ยทำอารมณ์ก็คือทุกเกลียการที่รับรู้ได้ทางประตูใจ อันนี้มันใกล้ใจที่สุดเพราะมันรู้ทางประตูใจเลยเยื่องอื่นมันต้องอาศัยมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่อันนี้มันอยู่ในตัวเราและมันอยู่ใกล้ใจที่สุดเพราะมันอยู่ที่ประตูใจรู้ที่ประตูใจถ้าเราปล่อยวางทุกสัง่งทุกอย่างที่รู้ได้ในทุกขณะปัจจุบันทางประตูใจไปเรารับรู้แล้วเราก็ไม่เข้าไปยึดอะไรทางประตูใจเลยได้แต่แค่รับรู้ทุกปิยาการไม่เข้าไปยึด กิริยาการใดๆที่ถูกลับรู้ทั้งหมดอันนั้นเนี่ยก็จะพบใจหรือนิพพานธาตุหรือธรรมธาตุหรืออมตะธาตุซึ่งมันไอเนี่ยมันจะไม่มีกิริยาการใดให้ถูกลับรู้แต่ถ้าเราปล่อยสิ่งที่ถูกถกลับรู้ได้ทั้งหมดตั้งตาหูจมกูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะถ่งกิริยาการประตูใจเนี่ยถ้าเราปล่อยวางไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นประตูใจมันก็จะเป็นใจเป็นใจที่ไปรู้เขา เป็นธาตุรู้หรือนิพานธาตุโดยอัตโนมัติที่ไม่มีใครรู้มันได้คล้ายๆอย่างเนี้ยมือเราเนี่ยมีหน้ามือกับหลังมือมือเรามีหน้ามือกับหลังมือถ้ามือไหลเนี้ยเราไม่เป็นสิ่ง know, ที่ you, ถูกรู้ได้เหมือนกับเปรียบเหมือนหลังมือมันก็จะเป็นหน้ามือทันทีหรือว่าถ้าเราหน้ามือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ทั้งหมด ท, ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่เอาเราไม่เป็นเนี้ยไม่ปไมปยึดคือไม่ไปเป็นไอ สิ่งที่ถูกรู้ได้ทางตาหูจมูกลินกายใจแหละมันก็จะเป็นหลังมือโดยอัตโนมัติหรือสิ่งที่ถูกรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ถูกรู้ได้ทั้งหมดคือรูปก็เป็นสังขารตาที่ไปตาเนี่ยเอาอย่าว่าร่างกายตาเนี่ยก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งสิ่งที่ผสมขึ้นมาที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปแล้วก็ผุพังเน่าเปื่อยสลายไปรูป ก็ต้องหน้าเปลืยผูพังสลายไปตาเนี่ยที่ไปอาศัยเป็นเป็นประตูที่ไปรู้รูปเนี่ยมันก็ต้องผูพังสลายไปแล้วก็วิญญาณขันในขันที่ห้าคือจักรสุวิญญาณเนี่ยที่เกิดมารับรู้รูปต่างตาในขณะที่กระทบรูปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากระทบแล้วก็ดับไปหายไปเพราะมันจะต้องไปรับรู้ที่ประตูอื่นดี เอ้นไอ้วิญญาณในขันที่ห้าเนี่ยมันก็จะไปรับรู้ต่างตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณไปรับรู้ตั้งหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณไปรับรู้ทางจมูกก็เรียกว่าคานะวิญญาณไปรับรู้ทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณไปรับรู้ทางร่างกายก็เรียกว่ากายะวิญญาณไปรับรู้ทางประตูใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่จะอธิบายสั้นกันเลยต้องอธิบายยาวเลยเพราะว่าทําไมอย่างงี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องทิ้งรู้ไปอยู่เรื่อยๆไม่งั้นอธิบายอีกแล้วทิ้งรู้อีกแล้ว เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันสําคัญขนาดไหนเลยเราทิ้งมันเรื่อยเนี่ยคือทั้งชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาเป็นแสนแสนกับเป็นอสงไขเ่เพื่อสแสวงหาสิ่งเนี้ยคือรู้เนี่ยแต่เรากลับทิ้งรู้กันไปนี่ยมันเป็นมีค่าที่สุดเนี่ยมันมีค่าที่สุดมันคือนิพพานพุทธเจ้าหามาตั้งสี่อสงไข่แสนมาหากรับก็หารู้เนี่ย หารู้เนี่ยที่อาสมขยแสนมาหากหารู้นี่ตัวเดียวพระรหัสหมวดอาหามาเป็นแสนแสนกับก็หารู่นี่ตัวเดียวหารู้นี่เนี่เ อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความสําคัญของรู้เนี่ยเราก็จะทิ้งรู้ไป <c oughs> อ, อย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันตั้งใจฟัง <c oughs> อกราบนวัตสการครับหลวงตา เมื่อตอนบ่ายวันนี้พระอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ให้ข้อคิดข้อหนึ่งเรื่องถ้ามันคิดไม่ออกไงก็ให้ให้ใช้ปัญญาโลกแบบหยับหยับครับแล้วพอดีเมื่อตอนเย็นผมกลับบ้านไปแล้วก็ออกกํบบาลังกายเอาซีดีหลวงตา ม, มาเปิดที่หน้าบ้านแล้วยีดีมันก็อธิษฐานจิตเองว่าเออเอามาเปิดตรงนี้แหละให้ ให้กระลอกเขาบ้านมีกระลอกเยอะแล้วก็มีคนผ่านไปมาเยอะครับเพื่อเขาจะได้ยินแล้วว่าตอนที่ไปปฏิบัติที่วันวัดถ้ำซับเมื่อ ว, วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วหลวงตาถามตลอดว่ามีอะไรจะถามไหมมีอะไรจถามไหมก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรสักทีแต่หลวงตาก็บอกว่าอยญ่อยากหลวงตาบอกว่าอหญ่อยาก ผมก็เก็บมาพิจารณานะอยากอะไรเราไม่ได้อยากอยากอะไรเราไม่ได้อยากแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วครับว่าอยากอะไรผมอยากอยากจบโทอยากอยากจบปริญญาโทอยากเป็นผู้พากษาพรามันเห็นแล้วมันก็อ๋อเนี่ยเหรอทุกเขาอยากเป็นมันทุกผมผมคุยกับตัวเองในไลนนะค บันทึกไว้กลัวลืมพอพอรู้ว่าอยากอยากจบโทรการจบโทมันเป็นทุกข์แล้วมันมันวางไม่ได้มันยังวางไม่ได้เพราะเราวางมาที่จริงผมน่าจะจบตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับแต่ผมมาประวงกับเรื่องสอบแล้วก็ก็วางมันไปแล้วที่มันกลายเป็นวางแบบปล่อยปล่อยแต่เป็นปล่อยปะละเลยครับ มันก็เลยยังไม่จบฟังที่ น, น, นีมันน่าจะจบคนอื่นเขาบอกว่ามันน่าจะจบตั้งนานแล้วไปปล่อยมันไว้ทาไมครับหลงตาก็เล่าว่าอยากผมก็เห็นแล้วว่าการการจบโทรคือทุกการการเป็นผู้พิพากษาก็คือทุกถ้าไม่อยากก็ไม่ทุก น, นี่ผมบันทึกไว้ส่วนตัวครับเมื่อเราปล่อยอยากไม่ได้มันก็พ้นทุกไม่ได้ ก็ต้องอยู่กับทุกข์อยู่โดยรู้ว่าทุกข์แต่ไม่ใช่อยู่อย่างทนทุกข์รู้ว่าอยู่กับทุกข์แต่ไม่ใช่อยู่กับทุกข์อยู่กับรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่อยู่กับทุกข์ไม่ทุกข์แล้วผมก็รู้สึกว่า มันทําไมพอเรานึกถึงว่าเราจะไปทําบริญาโทรเราจะจะหยิบมันขึ้นมาทำแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกลําบากไม่เหมือนกินยาขมมันก่อนหน้านี้ที่มันผ่านมาเลยที่แรกผมไม่ตั้งใจจะมาในวันนี้ครับผมกะจะทําให้มันจบแต่พอมันเกิดความรู้สึกนี้แล้วผมผมอยากมาหาหลวงตาครับผมไม่ทราบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ผมเข้าใจอะไรถูกไหมผมอยากให้หลวงตาชี้แนะว่า ผมจะจะต้องทำยังไงที่จะจ ะ, จะเจริญในทางธรรมแล้วก็อยู่กับทางโลกได้ไม่ทุกข์มากครับเพียงที่เราบอกกันแล้วอย่าอยากอย่าอยากแต่ก็ทำหน้าที่ไปสมบูรณ์ถ้าเราทำหน้าที่ด้ยวยความอยากด้วยมันก็มันก็ตอบไม่ได้แล้วเรา ทำเราเรียนเปียโทหน้าที่เราให้สมบูรณ์ก็คืออะไรเราก็ต้องขยนันอ่านหนังสือขยันเล่าเรียนขยนันทําในที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทําเราก็เรียนจะจบไปทําหน้าที่ที่สมบูรณ์แต่อย่าอยากจบถ้าเราอยากจบมันก็เครียดตายระหว่างที่เราเราเรียนเราก็เครียดเราอยากจะสอบผปริกาษาได้เราก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ การสอบปรึกษามันก็เรียนให้จบปียโทเราก็ต้องตั้งใจเรียนจบปียโทก่อนที่เราเ อ, อจะต้องสอบสนามเล็กใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนมีสนามเล็กตัวนี้เขาจะเลิกไปเลิกยังไม่ทราบแล้วก็เมื่อจบปยโทแล้วจะที่จะสอบปรึษาได้เก็ต้องอ่านหนังสือมากหน้าที่ทำหน้าที่ตำบลก็คือ อ, อ่านหนังสือมันมากๆ อ่านทั้งคำว่าสาสัญญาอ่านทั้งตัวบทอ่านทั้งคำบรรยายอ่านให้มันแตกฉานให้มันรู้เหตุรู้ผลคิดเชื่อมโยงทุกมาตาทุกดีกามีอะไรทับสีกาอะไรอ่านมาตานี้มันเชื่อมโยงมาถึงมาตานี้มาตานี้ถูกทับได้มาตาเออระวังมาตานี้มันเป็นข้อยกเว้นของมาตานี้จะอ่านมาตาเดียวอ่านแล้วก็ขีดโยงโยงโยงเชื่อมกันไปคิดเชื่อมกันไปเหตุผลด้วยเหตุผลว่ากานมาตรานี้ต้องระวังมาตานี้มันเป็นข้อยกเว้นระวังมาตานี้ระวังมาตานี้ ความาตาานี้มันจะไปคล้อยย่อเว้นของมาตาานี้แล้วขี่เชื่อมโยงเชื่อมโยงไปพระม้าอ่านมาตาานี้ต้องบวกไปมาตาานี้บวกได้มาตาานี้บวกได้มาตาานี้เขียนด้วยแล้วเราก็ไปอ่านทุกดีกาของมาตราที่ต่อเนื่องกันจดแตกฉานในความเชื่อมโยงของทุกมาตาของดีกาแล้วพออ่านดีกาานี้มันเชื่อมโยงไปถึงดีกาานี้ดีกาานี้ถูกพับด้วยดีกาานี้ดีกาานี้มันใกล้เคียงกับข้อที่จริงมันใกล้เคียงกับดีกาานี้แต่ตับสินมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไปเขียนไวปว่าถ้าดูดีกาานี้ต้องดูดีกานีี้บวกานี้บวกีาน้ เขียนจนหนังสือเนี่ยมันเลอะไปหมดเลยแหละนั่งอ่านหนังสือขาวสะอาดจะสอบไม่ได้แล้วแต่ละคนต้องถามผู้อาสาแต่ละท่านนังอ่านหนังสือนั่งอ่านเฉยๆขาวสะอาดปากกาไม่มีตัวบทก็ไม่ได้อยู่ข้างหน้าอ่านอยู่เล่มเดียวอะรวมดีกาดิก้าเรียกว่าอะไรจูดิดจูดิดใช่ไหมอะไรนะจูริสเออลืมไปแล้วลก็นาอะจูริสอะรวมดิกาสั้นๆแล้วอ่านอยู่เล่มเดียวนี่ยแล้วก็เห็นอ่านไปกระตัวก็หายไปอ่านไปกระตัวก็หายไป อ่านหน้าถึงสองหน้าวาปกาอ่านหน้าสองหน้าวาปกาแล้วตัวก็หายไปแล้วอย่างนี้มันจะไปสอบอะไรได้มีผู้อาสาสถานีการเดินมาเข้ามาปฏิบัติธรรมกับเราเห็นนิติกร อ, อ่านหนังสือหน้าห้องมีแต่หนังสือมีแต่หนังสือตัวหายไประหลังว่าเจอตัวหนูอ่านหนังสือได้วาลรกินใจวาริกิเ ล, ล่มอะไรหลกถามผิดแล้วครับต้องถามใหม่ว่าเล่มหนึ่งอ่านกี่วันครับมันจะไปสอบอะไรได้แบบนี้ยคือมันทําให้หน้าที่ให้สมบูรณ เราอยากเป็นผู้อาสาแล้ว เ, เราจะโดยผ่านการเป็นผู้อาสาสอบจากไปยัโทรมาจะสอบสนามเล็กเราก็าจบจบเรียนให้มันจบหน้าที่เรียนให้จบไปยัโทรเราก็อ่านหนังสือให้มันแตกฉานแล้วก็อย่าให้มันมีความทุกข์ความเครียดอยากจะเป็นความทุกข์ความเครียดในใจมันก็จะสอบไม่ได้ต่อให้เรียนจบมาแล้วก็อ่านหนังสือได้ครบสมบูรณ์ แต่ลังสีจิตมันดําดปิดเลยดํามืดหมดเลยเหมือนตอนที่อุทํา์ทำอะ่ะที่เรายังไม่เข้าใจถึงตอนเนี้ล้ำเสียจิต ม, ม, มันดําไปหมดอ่เหมือนกับเกลสีดําของเราเนั่นแหละอย่างเงี้ยมันสอบไม่ได้เราเคยเห็นมาตั้งเยอะไม่มีใครสอบได้เลยถ้าออกมาลังสียจิตมันทุกมันเครียดจนดำอย่างเงี้ยไม่มีใครคือสอบได้ทุกคนเราบอกหลายคนแล้วก็สอบไม่ได้ไม่มีทางสอบได้ประกาศผลออกมาสอบไม่ได้บาะคนเราบอกว่าตกไม่เกินห้าคะแนนแบบเนี้ย ตก จ, จริงตกหนึ่งคะแนนปีปีงสอบอีกเราบอกอย่างเงี้ยตกไม่เกินไม่เกินห น, น, นปกปกปกึ่งคะแนนปรากฏเราตกครึ่งคะแนนเราเห็นแล้วตอนไปหาเราที่พระทรรมสมมืดอ่ะมันเครียดดําไม่หมดอ่ะเราก็ถามมีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะถามไหมก็ไม่ไมไม่มีอะไรจะถามอ่ะก็มีอะมมไรถามก็แล้วไปแต่พอ ม, มีความรู้เข้าใจอย่างเนี้ยก็ถูกต้องแล้วเราจะไม่หยาบทาไม่ที่สมบูรณ์ทุกอย่างก็จะได้แข็งแน่มันดีแข็งแน่ในการาที่ปอลเรา มีเข้าใจได้ปัญญาเราเนี่ยมันก็เลยไม่ทุกข์ไม่เครียดเวลาเราอ่านหนังสือไม่ทุกข์ไม่เครียดมันก็จำเนี่ยขัดเข้าหัวได้หมดนั่นแหละเราจะสอบได้แล้วอ่านหนังสือด้วยความทุกข์ความเครียดความอยากอยากอยายมันจะนอะไรมจะอะไรเข้าหัวไานหนังสือมันกไม่เข้าหัวมัสอบไม่ได้ เมื่อคราวก่อนนี่ก็มีตำรวจหนุ่มคนหนึ่งสอบ ม, มาหาเราคนนี้จิต ด, ดำปีมีความทุกข์ความเครียดมากอยากอยากยากมากมาหาเราเราบอกวสอบไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมีความทุกข์ความเครียดอย่างเนี้ยเราสจิต ด, ดำปีอยู่อย่างเนี้ยสอบไม่ได้แล้วเหมือนกับกเกงสีดำที่เราใส่กันมานี่ยนะมันดำมันสักกระดนี้จะไปสอบอะไได้เขาบอกผมเพิ่งสอบ ม, มาแนนะจานเออใช่สอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็าจะสอบได้ประกาศผออกมาสอบไม่ได้จริงๆ ปีต่อมาไปหาเราอีวัดป่าน้านี่มิสกุลนครเราว่าเลยเราบอกแล้วบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันทุกมีความทุกข์ความเครียด จ, จนเราสีจิตป็นดำออกมาอย่างเงี้ยแล้วทำไมมาหาเราตอนนี้ ป, ปีปีหนึ่งแล้วผ่านมาจะไม่จะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยสอบไม่ได้แล้วคราวนี้ปีนี้ปีนี้ผมก็เพิ่งสอบมาหาอจารย์แล้นเนี่ยสอบเสร็จแล้วมาหาอาจารย์เออสอบไม่ได้ละเวลาะดี๋ยวปีหน้าก็สอบได้ประกาศผลออกมาสอบไม่ได้เหมือนเดิม เราก็ว่าบอกไปแก้ไขแลนะถ้าตัวเองไม่แก้ไขตัวเองใครจะไปช่วยแก้ถ้ามีความทุกข์ความเครียดแต่ขนาดนี้จะไปสอบเลยได้รู้สื่ไม่เข้าหัวอยากมากจะไปก็ทุกข์ความเครียดเลยมันทําหน้าที่เลยบกพร่องคืออ่านหนังสือก็ไม่เข้าทุกไม่ไม่ไม่ไม่เข้าหัวอย่างเราจะเรียนโทก็เรียนไม่จบเองดูสิมันต้องทําหน้าที่ที่ถูกต้องแต่จะไปอยากจะไปความทุกข์ความเครียดแต่มันก็ดีเองแหละเมื่อจิตมันไม่ไม่มีความทุกข์ความเครียดมันก็สว่างไสวเป็นบารมีเอง เป็นบุญบา ร, รมีเออบอกไม่เป็นไรหรอกแต่ปี่หน้าก็สอบได้แล้วก็บอกบอกคนนั้นอะเมื่อวันก่อนก็นกนมาหาเราแล้วก็บอกว่าอาจารย์ผมสอบอบายการได้แล้วเยี่ยมอีกทีหนึง่งอาจารย์ผมสอบผู้อาสาได้แล้วสอบได้ทั้งอบายการสอบได้ผู้อาสาเลยมันก็มาจากอันนี้แน่ความเข้าใจที่ถูกต้องเราเข้าใจผิดมันทุกข์เครียดอยู่ น, นั่นแน่ะวามอยากยากอยากอยา ทุกอย่างในโลกนี้อยากในทางโลกมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อยากมีแต่ความอยากๆยากอยากอยากแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์คือรักษาใจของตัวเองมันดีมีแต่ความอยากมันก็เลยไม่ได้อย่างอยากพอเรารักษาใจได้ที่ดีรักษาใจได้คือจาไมอยากกิเลสตัณหามันพาให้จิตมันดาปีเลยอะไร แล้วกิเลสตัณหามันเบาบางลงไปจิตมันก็สว่างสวัยใจมันก็มันก็ได้ใจใจสว่างสวัยแล้วที่วุฒิเจ้าตัดเน่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นเป็นฐานใจเป็นหัวหน้าแต่ใจสว่างสวัยแล้วเนี่ยคือใจป่องใจใจมันไม่มีกิเลสตัณหาเข้าครอบงาไม่จะเป็นความทุกข์ความเครียดเนี่ยมันก็รักษาอะไรไว้ได้ก็หมดแล้วมันก็จะเลินลุ่งเรืองเองเนี่ยทั้งโลกทั้งธรรมนะ เลยว่าจะเข้าไปสู่ทํำละเอียดก็คงจะยากแล้วมั้งมีแต่เด็กๆ เ, เ, เรื่องโรกอะไรเอาเอาก่อนนะทำละเอียดเดี๋ยวไวท้ทีหลังเพราะเด็กๆมันมีเรื่องคงจะต้องมีเรื่องอะไรถาเมเยอะนรัตการพระอาจารย์ผมวันนี้พาภรยามาด้วยอภรยาป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันทํำร้ายตัวเองเคยเคยมาหาเราปะ ยังยังไม่เค ย, เ ค, ยครับอา<ล>จารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้ให้คำคาแนะนำเป็นแนวทางในการฝึกฝึกใจให้อยู่กับ อ, อ, อาการป่วยแม่มาให้มีทุกข์มากครับเดือนออบวปนิดเนาะเอาคนเก่งมาด้วยเนา ะ, ะ, ะฟังนะฟังหลงตานะอยาอยู่กับแม่หนไหนลลงดีแล้ว เป็นยังไงล่ะอาการเป็นไงชื่ออะไรนะชื่อปียชัดค่ะปียชัดแล้วอาการเป็นยังไงอจะเหนื่อยค่ะจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแบบอักเสบตามเลืยอร์อ่อนเนี่ยค่ะออย่างเช่นในปากหรือว่าที่สมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาการแบบ อ่ามูฟบ่อยเงี้ยค่ะแล้วย่ังไงมีแค่เนี่ยเหรอค่ะอาการจะเป็นประมาณทําไมเรียกว่าเป็นโรคอะไรอะไรนะภูมิภูมิภูมิกันทําลายตัวเองใครบอกอ่ะไปหาคุณหมออ่ะค่ะเราลงจับความรู้สึกตามนี้ ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ใช่ไหมคะอมตอนนี้ก็กอย่ากังวลเดี๋ยวว่าแต่กอกังวลทงไปหมดก็ยังมีเหนื่อยอยู่บ้างคะ่ะเหนื่อยแล้วก็จะได้อลูกอยู่กับพ่อก่อนได้ไม <c oughs> อ่าอย่าอยู่กับพ่อก่อนนะเดี๋ยวแม่แ ม, แม่คุยกับลุงตาบัณนแปนะ๊บเดีวยวลูกนะใครลูกไปจอดกระดับเดนน่งตามสบายนี้นั่งสบายอย่าเกงครับนะแล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นอะไร เราว่าไม่ใช่นะเราว่าไม่ใช่ไม่ป่วยรหรอกไอที่บอกนะเราว่าไม่ใช่เอาวางไว้ก็ได้ไดลองสังเกตความรู้สึกตามเราไปที่ว่ปล่อยวางทุกอย่างลงหรือใจแค่รูป ก, ก็ได้ เรือยจะหลับต า, าหลับตาก็ได้อยู่ด้านขวานั่งขัดสมาธิขับสมาธิก็ได้หรือจะนั่งแบบนี้ก็นั่งได้ก็นั่งไปเลยแล้วก็อย่าตัดความพุ่งสรางใดๆทั้งหมดแล้แล้วตัดความคิดว่าเราเป็นอะไรทั้งหมดไปสิเราว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยตัดทุกอย่างไปที่ว่าใครว่าเป็นอะไร เ, เราว่าไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมด รับรู้อะไรแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางไปอีกมันซ้านว้นช้งตัวอย่างนี้าา ก, นนก็วางไปอีกกายเบาใจเบาซ้านไหนวางไปอีกปล่อยวางไปอีกรับรู้อะไรแล้วปล่อยวางเลยรับรู้อะไรแล้วปล่อยวางเลยเนี่ยมันเบามันโหวงว่างหมดเลยปล่อยวางไปอีกปล่อยวางไปอีกรับรู้แล้วแค่รับรู้แล้วผ่านเลยปล่อยวางไปจากใจปล่อยวูดลงไปเลย อย่าไปกลัวอะไรอย่าไปล้างไว้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่อย่ามาตึกอะไรไว้ในใจรับรู้สิ่งที่ตึกปล่อยวางไปอีกปล่อยวางความมามคิดมาตึกไว้ในใจปล่อยวางทิ้งไปปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปอยู่ตลอดเวลาก็ลองไอเดี่มาคิดมาตึกไว้ในใจแ้วปล่อยวางไปอีกปล่อยวางไปอีก มันเหนื่อยมันเหมือนกับเหนื่อยไม่มีแรงปล่อยวางไปอีกรับรู้แล้วปล่อยวางไปปล่อยวางไปให้หมดไม่เอาอะไรไว้เลยไอ้ที่เอามาตึกไว้ในใจปล่อยวางไปอีกเอามาคิดตึกไว้ในใจปล่อยวางไปอีกปล่อยวางไปให้หมดเดี๋ยวนี้เลย ไอ้ที่กลัวอีกก็ปล่อยวางไปอีกไม่ต้องกลัวปล่อยไปให้หมดเลยปล่อยขาดไปเลยไม่ไม่ล้างอะไรไปเลยนี่แหละดีมากเลยไม่ต้องกลัวปล่อยไปเลย ซ่านมากปล่อยมันไปอีกรับรู้แล้วปล่อยไปอีกมันแผลซ่านไปทั่วเลยมันมีกําลังขึ้นมาก็รับรู้แล้วก็ปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกมันต้อมเข้ามาสึกไว้ในใจแล้วปล่อยไปอีกปล่อยความสึกไว้ในใจปล่อยความสึกความคิดความสึกในใจทิ้งไปให้หมด จำไว้อย่างเดียวว่ารู้อะไรแล้วปล่อยรู้อะไรเห็นอะไรแล้วปล่อยไปทิ้งไปหมดรู้อะไรแล้วปล่อยทิ้งไปหมดเลยปล่อยไปหมดปล่อยวางไปให้หมดเลยทิ้งไปให้หมดปล่อยวางทันทีรู้แล้วปล่อยวางทันทีรู้แล้วปล่อยวางทันทีตับรู้รับทราบแล้วปล่อยวางทันทีไม่เอาเข้ามาตึกไว้ในใจเลยวางไปเลยอย่ามาตึกวางความตึกไว้ในใจอะไรรู้แล้วเห็นแล้ว วางไปไม่หมดอ่ะมันซ่าแล้วมันว่างไปหมดเลยว่างไปหมดดูแล้วเห็นแล้วก็ไม่ต้องเอามาตึกไวในใจไม่ต้องกลัววางทิ้งไปหมดทั้งความว่างและความที่เอามาตึกไวในใจทิ้งไปให้หมดเลยวางทิ้งไปให้หมดทิ้งอีกทิ้งอีกนี่ไม่ยอมทิ้งนะเนี่ยไม่ยอมทิ้งเบาสบายงวางสว่างเนี่ยไม่ยอมทิ้งทิ้งเลยปล่อยวางให้หมด ไม่เอาเลยเลยปล่อยวืดทิ้งไป ห, หมดเลยทิ้งให้หมดเป็นตัวไปอีกเลยไปอีกเลยไปอีกมันมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้มีสิ่งที่ดีกว่านี้เลยไปอีกเลยไปอีกนั่นเลยไปแล้วมันจะสว่างสวยซ่านมากขึ้นไปเรื่อยๆก็รับรู้แล้วทิ้งไปอีกทิ้งไปอีก มันจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกดีกว่านี้เรื่อยไปไม่เอาอะไรไปเลยทิ้งไปอีกทิ้งให้หมดไม่ตะกลัวอะไรเลยไปผ่านตลอดผ่านตลอดเขาอีก ควรู้สึกว่ามีตัวเราละเอียดลึกที่สุดอยู่ข้างในทิ้งไว้อีกปล่อยวางความรู้สึกนั้นทิ้งไปไอ้ที่มีความร yup ู้สึกว่าเป็นตัวเราละเอียดที่สุดลึกที่สุดข้างในอ่ะเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ข้างในทิ้งไปให้หมดเลยวางความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเน่ะวางทิ้งไปอีก มันระเบิดแตกไปเลยเหมือนกับเจอเพชรข้างในแล้วทุบทิ้งไปอีกไม่เอาอะไรไว้เลยทุบให้มันละเอียดแตกไปเหมือนกหาไปขุดไปขุดไปขุดไปเจอเพชรข้างในที่ตุดลึกลึกถึงก็ทุบทิ้งอีกไม่เอาอะไรไว้สักอย่างเดียวไม่ว่าดีเลิรประเสริฐยังไงก็ไม่เอาอะไรไ ว, ไว้เลเ ย, เออไไเลยทุบทิ้งไปหมดเลย ทำลายทิ้งไป ห, หมดไม่เอาอะไรเลยเรื่องล่านใจในสิ่งที่รู้ที่เห็นในปัจจุบันมีความศรัทธามีความนอกน้อมประกอบด้วยเนี่ยก็ทิ้งไปอีกก็ปล่อยวางไปอีก ปล่อยวางสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นในขณะปัจจุบนันทิ้งไปให้หมดเลยไปสัมผัสแล้วรูแว้แล้วเห็นแล้วก็ทิ้งอีกทิ้งไปอีกปล่อยไปอีกมันมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้อีกวางทิ้งไปให้หมดโดยจากใจไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยทิ้งทิ้งทิงิงไม่ยอมทิ้ง ตัดใจทิ้งโครมเลยนั่นแหละทิ้งแล้วมันจะผ่านตลอดไปอีกมันจะซาแล้วมีกําลังมหาศาลเหต๋แล้วทิ้งอีกมันก็จะแผ่ซาแล้วมีกําลังมหาศาลเลย เห็นอะไรรู้อะไรเราจะติดไม่เอาอะไรสักอย่างจะไปควา้าไปจับไว้ทิ้งให้หมดไปวางให้หมดพอป่อยแล้วมันจะวางไวหมดเลยว่างก็ทิ้งอีกมันจะสลับกันอย่างเงี้ยซาแล้วมีกําลังภาษ า, าแล้วก็จะว่างไว่างก็ทิ้งอีกดูแลเห็นแล้วก็ทิ้งอีกทิ้งให้ผู้รู้ไปด้วยผู้ที่พยายามไปไล่รู้อย่างนั้นเนี่ยทิ้งไปด้วย ทิ้งทั้งไอ้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นไปด้วยทิ้งไปหมดดูอะไรเห็นอะไรแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปหมดเลยทิ้งความรู้สึกวา่ามีตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็ทิ้งไปอีกโ ย, โ, ยโยนทิ้งไปให้หมดโยนทิ้งโยนทิ้งไปให้หมดไอ้ตัวเราเนี่ยมีความสูม้สึกเป็นอตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นทั้งหมดไปรู้สภาวะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทิ้งตัวเราไป ความรสึกมีตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เหน็นทิ้งให้หมดเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่รู้ไม่มีใครเป็นผู้รู้ไม่มีใครเป็นผู้เหน็นไม่มีเราตัวเราเป็นผู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้เหน็น มีแต่รู้แล้วผ่านรู้แล้วผนะ่านรู้แล้วผ่านรู้นั่นแหละเป็นธรรมชาติของธาตุรู้เป็นนิพานธาตุเป็นอมตะธาตุไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่จะเป็นของของเราไม่ใช่ตัวเรามีแต่รู้ไม่มีใครเป็นผู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ทิ้งที่ตัวเราความรู้สึกตัวเราเป็นผู้รู้ไปหหมดทิ้งไปให้หมดโยนทิ้งไปเลย ต่ อ, อไปไม่ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรมีสภาวะอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐเสียงใดก็ตามให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านทั้งหมดทิ้งหมดไม่เอาอะไรไม่จับยึดอะไรไว้เลยไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้มีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่รู้ตามธรรมชาติดั่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติมีตาก็ต้องเห็นรูปทำทำทำตามธรรมชาติมีหูก็ต้องได้ยินเสียงตามธรรมชาติ จะต้องมีการรับรู้ทางใจตามธรรมชาติล้วนแต่เป็นธรรมชาติเขารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายท้งใจไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้แต่เป็นธรรมชาติเขารู้เขารู้โดยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้ไม่มีใครเป็นคนรู้ไม่ใช่รู้นั่นเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้อยู่กับรู้นั่นแหละไม่เอาอะไรเลยสักอย่างเดียวอยู่กับรู้ก็คือแค่สัตว์สวะรู้ รู้ซื่อทุกอย่างรู้ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เอาอะไรเลยรู้แล้วไม่ได้เปเป็นอะไรเลยรู้แล้วไม่ได้ว่าจะต้องไปเป็นอะไรทั้งหมดเป็แต่รู้ทุกอย่างในปัจจุบันแลวปล่อยวางหมดทั้งปัจจุบันปล่อยวางทั้งความรู้สึกว่าเราตัวเราเป็นผู้รู้และปล่อยวางทั้งสิ่งที่รู้ไปทั้งหมดในทุกขณะปัจจุบันไปเรื่อยๆนั่นแน่ตราบใดสติไม่ขาดก็จะรู้อย่างนี้รู้ในความปล่อยวางเรื่อยไป เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาท่านสูงสุดคือรู้และมีปัญญาปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันที่รับรู้ได้ในปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือรู้ตาหูจมูกลิ้นทางกายรู้ภายในก็คือรู้สภาวะอย่างที่หนูรับรู้อยู่ในทุกขณะปัจจุบันนี่แหละทุกสภาวะที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปรู้ทุกความรู้สึกนึกคิดความตึกความตองอารมณ์และความรู้สึกภายในที่รับรู้ก็ต้องปล่อยวางไปปล่อยวางไปหมดสิ้นตลอดเวลา เพียแค่ส like ัตว yeah, like ์ตะวนรับรู้รับทราบสัตว์ตะวนรับรู้รับทราบนั่นเป็นธรรมชาติที่ต้องมีการรับรู้ทั้งภายนอกและรับรู้ทั้งภายในอย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ให้อยู่กับรู้สัตว์ตะวันรู้ตัวเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้เป็นตัวเรารู้แล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรได้แต่สัตว์ตะวันรู้แค่นั้นแหละแค่รับรู้รับทราบเหมือนดังแค่ตาเห็นตาให้ได้เห็นหูก็ได้ยินรู้ทางใจรู้อาการทางใจก็สัตว์ตะวันได้รู้เท่านั้นเอง แค่ได้เห็นแค่ได้ยินแค่ได้รู้มีอยู่แค่นี้เองทุกขณะปัจจุบนันจนกว่าจะสิ้นไปดับไปทุกคนรู้เนี่ยไม่แตกไม่ดับไม่เกิดไม่ทำลายแม้แต่รู้วนิี้านแล้วก็ไม่มีตายเพราะเป็นอมตะเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรมรมอยู่กับรู้นี่เนี่ยอย่าทิ้งรู้ ออกมาใช้ชีวิตประจําวันจงจําไว้อยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรูก้รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลิก่นเป็นสิ่งที่ถู ก, กรู้ผดสะพะหรือรสชาติรสต่างๆที่มากระทบลิ่นเป็นสิ่งที่ถู ก, กรู้ผดสะพะสิ่งที่กระทบผิวกายเป็นสิ่งที่ถูกรูก้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สภาวะธรรมสภาวะจิตไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐเพียงใดยแย่หรือมีอาการไม่ถูกใจเพียงใดเป็นสิ่งที่ถูกลับรู้ทั้งหมด ให้ปล่อยวางปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางไปทุกขณะปัจจุบันอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรูก้ต่างๆหูจมูลิ้นไก่ใจคืออย่าไปอยู่กับรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะธรรมใดๆ ใ, ในปัจจุบันที่ถูกรับรู้ได้ให้อยู่กับรู้คือรู้ไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งแค่ได้รู้แค่ได้รู้หรือสักแต่วรู้ไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวอย่าหลงไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรูก้ไม่หวั่นใจข้างในจะสว่างว่างโล่งขนาดไหน เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ชีวิตทุกขณะปัจจุบันให้ได้เพียงแค่ได้รู้ได้รู้ได้รู้สัแต่วันรู้เท่านั้นเองจนกว่าจะถึงวันตายเรียกว่าอยู่กับธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออยู่กับรู้ไม่ใช่ตัวเรอเป็นคนรู้หรือรู้เป็นตัวเราเป็นธาตุรู้หรือเป็นธรรมชาติก็รู้ธรรมธาตกก็คือธรรมชาติของเขารู้ตามธรรมชาติ จงจําเลยนะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดชีวิตแม้แต่ลืมตาไปแล้วใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมทุกขณะปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนของน้ำห้องส่วมดื่มกินไม่ว่าจะอยู่อย่างไรอยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้รูปที่เห็นตั้งตาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เป็นสิ่งที่ถูกรู้รสเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความว่างโล่งโปร่งเบาสบายความแน่นอึดอัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความสว่างสวัยปิติแผ่ซ่านบ้างเดี๋ยวก็เหมือนกับพลังงานมหาศาลบ้างเดี๋ยวก็สว่างสวัยบ้างเดี๋ยวก็ว่างไปหมดเลยบ้างเดี๋ยวก็มาคิดอะไรตึกตึกตคิดนึกติดตอในใจบ้างล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ ให้อยู่กับรู้คือสักแต่วรู้สักแ ต, ต่วรู้สิ่งเหล่านั้นทุกขณะจิตปัจจุบนันทุกขณะจิตปัจจุบนันอย่าทิ้งรู้ถ้าทิ้งรู้ก็จะเพลินไปกับรู้เพลินไปกับเสียงเพลินไปกับกลิ่นเพลินไปกับรถเพลินไปกับโลกเพลินไปเพลินมาทิ้งรู้หมดไม่อยู่กับรู้จะไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมดเพราะทิ้งรู้ไปก็เลยเพลินโลกเพลินโล ก, กอะไรก็คือเพลินรู้เพลินเสียงเพลินกลิ่นเพลินรสเพลินสัมผัสเพลินคิดไปแต่ที่ธรามรู้ทุกคิด รูุ้กอาการอยู่กับรู้มันก็ไม่หลงเพลินไปกับความคิดไม่หลงเพลินไปกับอาการจะไม่หลงเพลินโลกนะคําว่าหลงเพลินไป็นอันหนึ่งภาษาเขาเรียกว่านันทีคือความหลงเพลินนันทิราคะสหกตาตัตระตัตราพินันตินีเสยยาทิทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความหลงเพลินไปอ่ะทิ้งรู้แล้วหลงเพลินไปไ น, ไนั่นแหละเขาเรียกว่านันทีนันทิราคะความหลงเพลินไปเป็นนันที นันพีนี่เนี่ยเป็นบ่อเกิดของตันหาทั้งมวลบ่อเกิดของการมาตันหาเพราะวตันหาวิภวะตันหาและภาวะและตันหาเนี่ยเป็นบ่อเกิดของอุปทานคือความหลงยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นบ่อเกิดภพชาติบ่อเกิดให้เกิดการเป็นภพเป็นชาติเยียนไหยตายเกิดเกิดแล้วก็ตายแล้วก็บ่อเกิดแห่งความทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจวนเวียนไปอย่างเนี้ยไม่มีวันที่จบสิ้นทุกภพทุกชาติถ้าอยู่ก็รู้ ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่เพลินไปทางตาอูจมูกหินกายใจเพราะอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ก็จะไม่เพลินไปทางตาอูจมูกหินกายใจก็ได้แต่สัตวตะวันรู้อยู่กับรู้สักดตะวันรู้สิ้นความเพลินก็สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็สิ้นอุปทานคือความองจิตมั่นถือมั่นสิ้นอุปทานก็สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นรู้ที่เป็นอมตะ ไม่มีวันตายไม่มีการเกิดไม่มีการดับเป็นอมตะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยตายแล้วจิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนด่งเปลวไฟที่สิ้นเชื้อหรือเหมือนด่งเปลวเทียนที่อยู่ต่อหน้าเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าแล้วถูกเป่าดับพึบหายไปไปเป็นหนึ่งเดียวของกับธรรมชาติจั ก, กรวาลต่อไปเป็นอมตะตลอดการ ไม่มีตัวตนน่องร้อยอยู่ยมมาทูตโยมพบาลก็หาตัวตนเอาไปหลงตนไม่ได้บาป ก, กรรมทั้งหมดที่ทําไว้ก็ให้ผลไม่ได้เป็นโมฆะกรรมไปหมดสิน้นบุญกุศลใดๆที่ทําไว้ก็เป็นโมฆะไปหมดสิน้นเพราะทุกอย่างหายไปเลยเหมือนกับหายตัวไปไปเป็นหนึ่งเดียวกับทบจักรวาล น, นั่นแหละเราจะพ้นกรรมทั้งมวลได้ก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แนะ จึงจะหายตัวไปได้กรรมทั้งมวลไม่ว่าจะบุญหรือบาปไม่อาจให้ผลได้ต่อไปเป็นโมฆะกรรมหมดสิน้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจงจําไว้ชีวิตตัดที่ต่อไปอยู่กับรู้อยู่กับรู้นะอย่าไปอยู่กับสิ่งที่สุกรู้มันจะไม่เป็นน้ำทิ้คือความเพลินใจต่อไปเข้าใจไหมละ่ะไม่ได้เป็นโรคอย่างที่หมอเขาบอกหรอก เขาไม่เข้าใจหมอเราไปจับอยู่กับความว่างเราคงปฏิบัติมาข้ามภพข้ามชาเกิดมาแล้วช่องว่างเนี้ยเราคงจะเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ไปจับช่องว่างนั้นมันจึงทำให้เกิดเนือต่าเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราต้องคิดนึกเราอยู่กับรู้แต่เราพยายามให้จิตมันได้คิดนึกไปถึงช่องว่าง เจ็ดเดือดมนมก็เลยต่ำการทํางานของระบบร่างกายก็เลยผิดปกติธรรมชาติหมอทำไม่เข้าใจตรงนี้หลายคนเนี่ยเราไปช่วยออกจากโรงพยาบาลมาจะเป็นจะตายตั้งเยอะแยะเป็นเพราะอย่างนี้เนี่ยแม้แต่ตัวหมอเองเราก็เพิ่งจะไปช่วยมาแล้วก็เป็นอย่างเราเนี่ยที่แรกกับเสียงเรายืนยันว่าไม่สบายจริงๆเราไว้ออกจากโรงพยาบาลมาเลยดีไม่ไปฉายแสงไม่ไปให้เคมโมอะไรแล้งหมดนะ ออกมาเดี๋ยวนี้หมอหัวลอกากะกะกะกะสบายใจเป็นหมอได้ซ้าไปแล้วหมอรับสารโรคภูมิแพ้ด้วยแต่ตัวเองกลับพลาดเพราะไปจับว่างสบายเนี่ยเฉยๆือเลยยังอยู่เลยจนเนี่ยหมอหลายคนเนี่ยก็ไปจับว่างแบบนี้เนี่ยหมอเองก็ยังเตัวไม่รอดเลยไหม เราต้องไช่วยออกมาเดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่ทุกคนจะไช่วยออกมาเดี๋ยวๆที่เหลือเลยว่าเราพูดมายให้คนทั้งหลายจะได้ออบอกเราเหตุการณ์ประสบการที่ผานมาที่ทุกคนายในเป็นยังไงนะทุกคนจะได้คนไปเปลี่งนีอบอกเราว่าชีวิตนับตนี้ไปจะอยู่งไงยังไง ปฏิบัติอย่างไรเราบอกเล่าเหตุการณ์ื่อชี้ทั้งหมดที่ผ่าทั้งหมดภายในรายละเอียดก็รับรู้ในสิ่งที่รู้่าค่ะแล้วก็สิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือว่าทำให้เรากังวล อ, อะไรองนี้ค่ะก็ให้ทิ้งไปทิ้งทุกอย่างที่กังวล ทิ้งไปให้หมดนะคะพอรู้สึกว่าทิ้งไปแล้วมันจะรู้สึกวัาเรื่องแล้วก็ทำให้เราสบายใจขึ้นเนี่ยคะ่ะเพราะว่าตอนแรกที่ป่วยจะรู้สึกกังวลตลอดเวลาว่ากังกังวลว่าเมื่อไหร่เรา อ่ากดขึ้นอาการที่ที่หนูใจสั่นสะท้านท้างล่างตอนเนี้ยนูก็มันเป็นอาการที่ถูกรู้อย่าไปอยู่กับอาการเหล่านี้ให้สับแต่ว่ารู้เรื่อยไปเกิดอะไรขึ้นในสักแต่วรู้ผ่านผ่านมายถึงว่าใจอย่ไป จ, จับไปยึดสักแต่วรู้มหนูก็พูดไปออกอ่ะพูดไปมันสะท้านท้างล่างนี่ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะเนี่ยหลายกลายเป็นดีนนเป็นวาสนาไปเลยเนี่ยหลายคนเป็นอย่างเนี้ย หมอจู่กระทั่งเกล็ดเลือดขาวมันต่าลงมากจนอันตรายเลยหมอบอกขึ้นเครื่องบินไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศจะขึ้นบินกลับเมืองไทยก็กลับไม่ได้พอาเกล็ดเลือดมันต่ํามากจูกระทั่งถ้าขึ้นเครือ่องบินด้ย ใ, ในสมองแตกเพราะว่าเกล็ดเลือดไม่มีเกล็ดเลือดมันต่ํามากจนเลือหลักร้อยหลักสิบนู้นขึ้นเครื่องบินสมองแตกไอเลือดในสมองแตกแม่หมอไม่ยากไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ยากไม่ขึ้นมันไปจับช่องว่างไว้เนี่ย มันรังเกียดอาการที่ไม่ชอบใจมันไปอยู่ตรงช่องว่างไปอยู่ผิดช่องมันไม่อยู่กับรู้แต่ไปอยู่อาการที่ถูกรู้ช่องว่างความว่างเป็นอาการที่ถูกรู้เรารังเกียจความไม่อาการที่ไม่ถูกใจไม่พอใจเราเลยหนีไปอยู่ช่องว่างผลมันทําให้เกล็ดเลือดขามันต่ําลงจนเป็นเป็นความปิดปกติอย่างไรแรงเป็นอันตรายจนหมอแม่ขึ้นกครืบินไปลุยจะต้องแต่งปกติเกลเลือดขาวไม่ต้องเป็นหลักเท่าไหรหลักแสนเนี่ยมันเหลือหลักร้อยแค่นั้น บอกให้ไม่ขึ้นเลยแล้วถือว่าเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงมากแต่พอเขาพิกกลับมาอยู่กับรู้นั่นะไม่ได้ไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้คืออาการว่างเป็นอาการที่ถูกรู้มาอยู่กับรู้สัตว์วารู้กันนั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางความว่างทิ้งไปจะว่างไม่ว่างก็ไม่สนใจได้แค่รู้อยู่กับรู้เกล็เลือดกลับมาเป็นปกติทันทีเลยกลับประเทศไทยได้ถ้าป่วยจริงๆมันจะหายเร็วได้ขนาดนั้นเน นี่มันผิดพลาดแล้วตายคนตายไปพรแบบนี้หลายคนไม่เชื่อเราไปให้เคโมเข้าไปให้อะไรเข้าไปรักษาเข้าตายเลยสัวซ้ายให้ให้เคโมให้ด้วยเลยหมดสภาพไปเลยร่างกายมันอ่อนแออยู่แนละ้วเพราะว่าเกเลือมันต่ำเราบอกว่าไม่ใช่ไปจับช่องว่างไว้จับความว่างไว้เขาก็ไม่เชื่อไปให้ตายเลยตายแต่คนที่เชื่อหลอดมาตั้งเยอะเนี่ยไม่หมอท้สองสาคน เป็นหมอที่หอดมาเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่นอยู่เป็นหมอออกมาระหัวร อ, อกกั๊กกั๊กกกั๊มา่ก่อนแย่ yeah! ไม่มีแรงแต่โชคดียังไม่ถึงข่าวตายมีคนมากราบเราแล้วเล่าให้คังถึงหมอคนเนี้ยว่าตอนนี้มีอาการป่วยหนักถึงขั้นขีดอันตรายอยู่โรงพยาบาลเก็บเลือดต่ําสุดแล้วก็เจอโรคเข้าไปกินตับก่อนแล้วเลยกินปอดกินตับอืแต่ว่ามันไม่ใช่ ในโทรศัพท์คุยกับเราสิติดต่อโทรศัพท์คุยกับเราหน่อยไม่ไม่โทรไม่อะไรไม่ยอมโทรบอกว่าป่วย ห, หนักไม่กล้าตัวอาเราะระเบิคับเลยต้องติดต่อโทรศัพท์มาหาเราแล้วมาหาเราเดี๋ยวนีน้มาแก้ทางจิตถ้าอยู่กันรู้อย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้ชอบลงไปในช่องว่า ง, างสบายๆเบาๆว่างๆสบายบเบาๆไอ้นี่มันเป็นอาการที่ถูกรู้ ไปจับยึดไว้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้ไปจับยึดไว้เสร็จมันเสียถ้าเข้าโรงพยาบาลพอพิกมาอยู่กับรู้ปล่อยวางปีล่านั้นไปให้หมดอะไรก็เกิดขึ้นกับแกรู้แกหลับดูหรับซับแกหลับรลับซั บ, บซาหายออกจากโรงพยาบาลเลยนี่หัวเราะกะกะกะกตอนี้ยังอยู่เลยจะคิดดู่า้แล้วแถมตัวเองอยู่โรงพยาบา ล, ร, ลบรักษาโรคปูแยแล้วตัวเองมาเป็นเั่นนี้ตัวเอง พาดเลยยิ่งโรคอยู่รพโรคภูมิแพ้อะไรเข้าใจว่าอยู่รพโรคภูมิแพ้มันโดยเลนติดเชื้อโรคจากคนคไข้ม่ใจแล้วยึ่งคิดหนักข้นไปอีกแล้วจะหายแล้วมันจะหายเร็วได้ขนาดนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เ อ, เ อ, เ อ, าาอกว่าฝึกจิตหัวเลาะการกรสนุกสนานเลื่องล่าเบิกบานเตลิดไปซึ่งชานอีกเพลินโรคไปหมดเลยไม่อยู่กับรู้ลุตอาไปชานนล้วมาเพลินโรคไปอีกวัวลาะกากรเลยเพลินโรคไปอีกพออยู่กับนันทิคือความเพลินอีกจะต้องไปเพลินทั้งตาหูจมูกรินกายใจ จะต้องไม่เพลินคิดเขินปรุงแต่งไปให้มันรู้สอกตะวะรู้ทําประตูตาหูจมูกวิ่งใจใจอยู่กับรู้อย่าเพลินไปกับปีกที่ถูกรู้นี้ก็จะเป็นนันทิคคือความเพลินมันเป็นต้นเหตุมันเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดตัณหาพอตัณหาเกิดเมื่อไหร่เป็นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นเกิดเมื่อไหร่เป็นพบเป็นชาติ เป็นชาลาโมรณาโสกกระปริเทวาทุกกะโทมนันั้อุฟายาสะทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดในใจก็สลับสับซ้อนปิดจากความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ดับไปมันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นไปได้ถ้าอยู่กับรู้มันจะสามารถพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นไปในในขณะปัจจุบันนี้เลยและตลอดไปตายแล้วก็พ้นจากความทุกข์เลยสิ้นเชิง เพราะไม่มีขันห้าคือร่างกายความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ที่ให้มาเป็นที่จะไปเกิดต่อไปในร่างไหนได้ทั้งหมดกลายไปเป็นรู้อย่างเป็นอามาตะในธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหายหายตัวไปเลยอยู่กัรู้นะอย่าเพลินกับสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจไหม